ถ้าว่าใจร้อนคอยไม่เป็นอยากเห็นผลไวๆก็จะทำให้เพียงได้ไม่นานทำไปแล้วไม่เห็นผลสักทีก็ท้อแท้ได้ง่ายบางคนมาปฏิบัติสามวันห้าวันยังไม่เห็นอะไรเลย ยังไม่รู้อะไรเลยก็ทอแท้เสียแล้วอันนี้เพราะว่าคอยไม่เป็นคําว่าคอยเป็นนี่ไม่ได้แปลว่าอยู่เฉยๆแล้วก็รอให้ผลมันมาเองแต่ว่าต้องลงมือปฏิบัติ ด, ด้วยแต่แม้ลงมือปฏิบัติแล้วถ้าทาด้วย ความอยากจะเห็นผลไวๆอันนี้ก็จะมีความทุกข์มากนะการที่เราจะฝึกจิตให้มีคุณภาพใหม่มันหมายถึงการที่เราต้องทวนกระแสอันนิสัยเดิมๆรวมทั้งการขัดเกลา เอานิสัยเก่าออกไปนะที่มันไม่ดีเช่นความคิดฟุ้งซ่านนะความชอบจมอยู่กับอดีตรหรือไปกังวลกับอนาคตนิสัยเก่านี่มันสะสมมาเป็นเวลานานยังไม่ต้องพูดถึงความเห็นแก่ตัวนะอันนี้หรือว่าความเป็นคนมักโกรธเห็นแก่ได้นี่มันมันสะสมนานมาก การที่จะทวนกระแสหรือว่าหาเอานิสัยใหม่คุณภาพใหม่มาทดแทนนี่มันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาเพราะว่าเราสะสมนิสัยนี้มาเรียว่า 10, 10ปีแล้วหรือว่าตั้งแต่เกิดตั้งแต่เป็นทารกแบบเบาเลยก็ได้นิสัยฟุ้งซ่านก็เช่นเดียวกันนะ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 คิดเก่งจนกลายเป็นคิดฟุ้งซ่านนี่มันไม่ได้ไกลกันเลยนะเลยเพราะถ้าไม่ได้ฝึกอีกอย่างหนึ่งเอาไว้คือการฝึกสติให้รู้ทันควาให้รู้ทันความคิดอันนี้เพราะนั้นเนี่ยมันเมื่อความคิดฟุ้งซ่านนมันถูกสะสมมานานจนกลายเป็นนิ ส, สัยที่แก้ได้ยากมันต้องใช้เวลาดงนั้นเราจะ เราจะรีบไม่ได้ต้องรู้จักคอยนะแต่ก็ไม่ใช่คอยเฉยๆนะทำไปด้วยเดือนนี้อย่าว่าแต่สามวันห้าวันเลยนะที่ทำแล้วไม่เห็นผลหรือผลยังไม่ชัดก็ท้อแล้วบางทีให้ทำแค่ชั่วโมงหนึ่งหรือว่านั่งห้านาทีก็ไม่ไหวแล้วนะมีหลายคนนะ บ่นว่าโอ้ยนั่งสมาธินั่งไม่ไหวแค่5้านาทีก็ไม่ไหวแล้วทําไมถึงไม่ไหวก็เพราะมันฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านนี่ไม่เท่าไหร่นะจริงๆคนเราก็พอทนกับความฟุ้งซ่านได้แต่ที่มันเป็นปัญหามากกว่าก็คืออยากให้สงบไวๆแค่นั่งห้านาที ก็อยากจะให้มันสงบแล้วภายใน5้านาทีพอมันไม่สงบก็กระสับกระส่ายขึ้นมาเกิดความไม่พอใจเดี๋ยวนี้แค่5้านาทีก็ทนนั่งกันไม่ไหวแล้วนะจะเป็นอย่างนี้มากขึ้นเรื่อยๆอันนี้แสดงว่าไม่รู้จักรอคอยแค่5้านาทีมันจะนานที่ไหนกันนะ แต่ว่าอยากจะเห็นผลไวๆเนี่ยทานาทีต้องสงบแล้วพ่อไม่สงบฉันไม่ทําล้แล้วลอย่างนี้น จ, ะะจะเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติได้อย่างไรจริงๆอย่าว่าแต่การปฏิบัติทำเลยนะในการทํางานทางโลกเราก็ต้องรู้จักคอยเหมือนกันความรู้จักคอยกับความขยันมันเพียรนี้อย่างที่บอกไว้แล้วว่ามันไปด้วยกัน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 รวมทั้งประเทศที่เขามีความเจริญก้าวหน้าอย่างประเทศอย่างคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนที่มีความขึ้นชื่อในเรื่องความขยันหมั่นเพียรและสิ่งที่เขามีควบคู่กันกคือการรู้จักคอยเมื่อสองเดือนก่อนได้มีโอกาสไปประเทศญี่ปุ่ น, นก็ได้ไป ซื้อนังสือในร้านหนึ่งนะซึ่งเป็นร้านที่มีสาขาทั่วประเทศเป็นร้านใหญ่มากนะในเมืองโอซา ก, ก้าก็มีสาขาที่กรุงเทพที่เมืองไทยด้วยได้ น, นังสือมาสองเล่มนะก็ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอรนะ์เขาคิดรวมภาษีแล้วประมาณ 3,900 เยแปดสิ็นนะมีมีมีงเยนต่อท้ายด้วยเพราะมัน มันคิดค่าภาษีด้วยคือถ้าจ่าย 5,000 เยนมันก็จบนะง่ายแต่ว่าเพลินวันนั้นนี่มีเหรียญมีเหรียญเยนเยอะก็เลยควักออกมากเต็มกํามือเลยนะแล้วก็นับนะเพื่อให้มันได้9 8้ายเ็ยนแต่ว่าเนื่องจากเพิ่งไปใหม่ๆ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 เขาัคันขายก็ดีนะระหว่างที่เรานับเหรียญเนี่ยเขาก็รออย่างสงบนะไม่ได้แสดงอาการเลยว่าเราทำให้เขาเสียเวลาทั้งที่ลูกค้าที่ต่อคิวเราก็เยอะนะไม่นนำซ้ำเรานับไม่ได้ก็ให้คนนับแทนเขาก็นับอย่างสบายๆนับไปแบบไม่รีบร้อนนะจนกระทั้งครบ อันนี้ก็รู้สึกแปลกใจนะเพราะว่าภาพแบบนี้นที่เมืองไทยมันคงไม่ค่อยมีเท่าไหร่ประเภทว่ารู้จักคอยคอยลูกค้าโดยที่ไม่บ่นอะไรเลยทั้งที่ลูกค้าที่ต่อคิวก็ยาวนะอันนี้อาจจะเป็นเหตุการณ์เล็กเลยในเล็กเ น, อนนะ้อยแต่เห็นได้ทั่วไปไม่ใช่ในร้านหนังสือบนท้องถนนก็เหมือนกัน ออกมาจากร้านนี่ก็มันเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่คนนี่เป็นพันเดินอยู่บนฟุตบาทเดินอยู่บนฟุตบาทมันก็มีช่วงหนึ่งนะต้องเดินข้ามถนนถนนนี่มันก็เป็นจะเรียกว่าถนนก็ไม่ถูกนะมันเป็นซอยมากกว่าขนาดเท่าเนี่ยเสาสองเสาเนี่ยไม่ถึงประมาณ3มเมตรนะรถก็ไม่มีนะ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 จนต้องฝาไฟแดงเดินข้ามถนนไปต่อเมื่อสัญญาณมันเป็นเป็นเขียวถึงค่อยเดินข้ามอ น, นี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ทั่วไปนะเขามีความอดทนรอคอยนะสัญญาณไฟในะแบบนี้ก็ในเมืองไทยก็หรือในกรุงเทพยิย่งแล้วใหญ่นะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่ ตอนเที่ยงนี่เวลากินข้าวก็เห็นได้ทั่วไปคนยืนคิวเข้าคิวเพื่อรอเข้าร้านอาหารร้านอาหารก็ไม่ใหญ่ก็เ ข, เข้าคิวกันแล้วก็ไม่ได้มีอาการลุกลี้ลุกลนอะไรแล้วคนไทยนี่ถ้าให้เข้าคิวเพื่อกินอาหารนี่เขาไม่ทํำกันเท่าไหร่ ใช้เวลาไปร้านอื่นดีกว่าหรือไม่ก็ไปเข้าเซเว่นซื้ออาหารกินแต่คนญี่ปุ่นนี่ก็คอยรอแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆในน้อ ย, อ, ยอันนี้มันมันมันเป็นภาพที่ตัดกับเนะมืองไทยมากทีเดียวคนไทยนี่ถ้าไปเราไปซื้อของแล้วเราจ่ายด้วยเงิน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 หรือว่าเวลาขึ้นรถเม์ไม่รู้โคลลาดเป็นนั้งหต่นะกรุงเทพนี่ถ้าเกิดว่าจอดรถเข้าป้ายแล้วผู้โดยสารเดินช้าชักช้าขึ้นรถไม่เร่งรีบขึ้นรถนี่คนขับนะเร่งเครื่องออกเลยไม่รอแต่ว่าญี่ปุ่นนี่ไม่นะมี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 เดินมาถึงนะผู้โดยสารก็ไม่โวยวายนะผู้โดยสารก็รอเหมือนกันเป็นหลายนาทีเลยอันนี้ก็แปลว่าพวกจะว่าไปคนญี่ปุ่นนี่เขาชีวิตเขาก็ค่อนข้างเร่งรีบนะเวลาเป็นเงินเป็นทองอะไรก็ต้องทำเร็วๆรถไฟเร็วที่สุดในโลกก็เริ่มต้นจากญี่ปุ่นเวลาเขานี่เขาซอยยิบเลยนะ จากชั่วโมงเป็นนาทีถ้าซอยเป็นวินาทีได้เขาก็ซอยอย่างเวลาเราดูตารางรถไฟหรือตารางรถเมล์เนี่ยรถเข้ารถออกสถานีนี่เวลามันไม่ใช่ตัวเลข ก, กลมๆนะไม่ใช่9โมงครึ่ง10โมงนะแต่ว่าเป็น9้าโมง58นาทีจะเป็น10โมงก็ไม่ไม่นะต้อง9้าโมงห้าสบแ เพราะว่าเวลาแต่ละนาทีมันมีความหมายถ้าซอยเป็นวินาทีได้เขาก็ทำเ้า ก, ก็มาถึงเป๊ะเลยนะรถไฟนี้เป๊ะเลยแล้วก็ออกตามเวลาเป๊ ะ, ะตรงตามนาทีก็ดูเหมือนเขาเร่งรีบนะแต่ปรากฏว่าเขารู้จักคอยได้เป็นเป็นคนหรือเป็นชนชาติที่มีความอดทนรอคอยได้ได้นานทีเดียวทั้งที่ไม่ไม่น่าจะเร่งรีบได้ สมัยก่อนบ้านเราในชนบท ก, ก็คอยคอยเป็นคอยนานนะเคยไปออกค่ายในที่ขอนแก่นเนะมื่อปีก่อนก็ไปนอนที่บ้านผู้ใหญ่บ้านตอนเช้าก็รอรถโดยสารมารับเพื่อเข้าเมือง บอกว่ารถมาถึงแล้วนะรถโดยสารมาถึงแล้วเรายังกินข้าวอยู่เลยผู้โดยสารก็เต็มเลยนะเต็มเต็มทั้งรถเลยแต่ว่าคนเขาก็คอยนะคอยจนกว่าเราจะกินเสร็จแต่เดี๋ยวนี้ในชนบทรถโดยสารก็คงไม่คอยนะแต่ว่าในเมืองอย่างคูกโกกะหรือเมืองใหญ่ๆในญี่ปุ่นนี้เขาคอย ฉะนั้นทีเขาก็เวลาก็เป็นเงินเป็นทองอันนี้มันนึกดูในความรู้จักคอยนี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของวินัยหรือเรื่องของมารยาทแต่ว่ามันเป็นส่วนของความสําเร็จของคนญี่ปุ่นด้วยความเจริญก้าวหน้าคนญี่ปุ่นเนี่ยมันเกิดจากความขยันและที่เขาขยันได้เพราะเขารู้จักคอยทํางานใหญ่ๆมันต้องใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลนะขอไม่เร่งรีบ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 พอมันวิธีที่จะเร็วได้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความเพียรพยายามนะการใช้ความเพียรพยายามนี่มันมันเห็นผลช้าโดยเพราะเรื่องใหญ่ๆอยากได้อยากได้อยากรวยเร็วๆอยากดังเร็วๆอยากประสบความสำเร็จเร็ว ๆ, วๆก็ต้องหันไปใช้ทางลัดเนะช่นที่อยากรวยก็ต้องเล่นไพ่เล่งการพา น, นันะซื้อลอตเตอรี่อย่างนี้มันรวยเร็วดี หรือนักเข้าก็คอรับชั้นนะถ้าอยากดังอ่ะก็ต้องใช้เส้นสายหรือว่าบางทีก็ต้องเอากายเข้าแรกเอาตัวเข้าแรกนะเพื่ออยากได้ดังเร็วๆอันนี้มันเป็นทางลัดคนไทยเดี๋ยวนี้นิยมทางลัดมากนะแม้กระทั่งนักเรียนนี่ทําการบ้านเดี๋ยวนี้ก็อยากให้เสร็จเร็วๆก็ทำยังไงก็ไปลอกเพื่อน ไปก๊อปมาจากอินเทอร์เน็ตไปก๊อปมาจาก g o เ g l e นะแปะเข้าไปเลยอย่างนี้ทําวิญญนิพนธ์ก็แบบนี้นะไปก๊อปกันประเภทที่ใช้ความเพียรของตัวเองเนี่ยไม่ค่อยมีหรือมีน้อยลงไปเรื่อยๆส่วนหนึ่งก็เพราะว่าไม่ใช่เพราะขี้เกียจเนียแต่เเพราะว่าอยากจะเห็นผลไวๆไอ้ความที่ไม่รู้จักคอยนี่มันมันก่อผลเสียมากนะ มันทำํำไมคนไทยชอบนิยมทางลัดแล้วก็กลายเป็นทางลัดที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเราเอานิสัยนี้มาใช้การปฏิบัติธรรมนี่มันก็ไม่มีทางที่จะประสบความสําเร็จได้หลายคนก็นึกหาทางลัดเอ้มันจะมีทางลัดอะไรหรือเปล่าที่ทําให้เราสงบใบวัยหรือว่ารู้ตัวใบวัยมันไม่มีนะทางลัดมันต้องมีจากการปฏิบัติแล้วก็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 เวลาเราเดินทางเราสังเกตไหมถ้ามันอยากถึงเป้าหมายเร็วๆนี่จะรู้สึกเลยว่าถึงช้าแต่ถ้าไม่ไม่เร่งไม่รีบไม่อยากให้เห็นหรือไม่อยากถึงเป้าหมายไวๆนี้กลับถึงเร็วหลายคนจะรู้สึกเลยว่าเวลาขาไปนี่มันช้าเช่นไปเที่ยวเนี่ยขาไปมันช้ามากจะไปเที่ยวที่เชีงยงใหม่ภูเก็ตนะตะรุ่เตานี่รู้สึกมันช้ากว่าจะถึง แต่ขากลับบ้านนี่มันเร็วอันนี้เพราะอะไรระยะทางก็เท่ากันทงแต่ทำไมขาไปรู้สึกวันไปถึงช้าเพราะเราอยากจะ้มันถึงไวๆอยากจะสนุกใหขากลับบ้านนี่เราไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ไม่ได้เร่งรีบไม่ได้อยากให้มันถึงไวๆก็เลยรู้สึกวันถึงไวนะทางโลกชันใดทางธรรมก็ชันนั้นนะเราต้อง อย่าไปอย่าไปปล่อยใจให้ตกอยู่ในอำนาจของความเร่งรีบอยากเห็นผลไวๆนะต้องฝึกให้ตัวนี้เป็นโอกาสที่เราได้ฝึกการรู้จักคอยนะการรู้จักคอย3นะามวันหวันก็ยังน้อยไปนะมันจริงๆมันต้องใช้เวลานานกว่านั้นด้วยซ้ำนะขนาดเรียนหนังสือ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 ความรู้เรื่องภาษาเยอะเป็นอัจฉริยะหรือเปล่ามีพรสวรรค์แล้วมั้งแกบอกเปล่าเลยเป็นเพราะมีความเพียรแกบอกว่าการเรียนภาษาต่างประเทศเนี่ยก็เหมือนกับการตักน้ำด้วยกระชอนพวกเรารู้จักกระชอนใช่ไหมกระชอนผ้าเนี่ยนะตักน้ําให้เต็มแก้วด้วยกระชอนนี่ดูมันใช้เวลานานเท่าไหร่ใช้เวลานานมาก จา ก, กว่าน้ำจะเต็มได้ต้องใช้เวลาแต่ก็ทําไม่เลิกเพราะว่าไม่รีบไงแค่ ว, ว่าการเรียนภาษาต่างประเทศมันต้อง ค, ำคำําำนึงก็ต้องพิกพจนานุกรมครั้งแล้วครั้งเล่าพิกเป็นร้อยครั้งกว่าจะจําได้การเจริญสติก็เหมือนกันนะไม่ต่างจากการตักน้าด้วยกระชอนนะมันเผลอแล้วเผลออีกเผลอแล้วเผลออีกเผลอแล้วเผลออีกอวออ ก, กว่าจะ ระ ล, ลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ใช้เวลานานมากนะกินข้าวสิบหนาทีไม่รู้เผลอเป็นร้อยครั้งกว่าจะรู้สึกตัวว่าเออกำลังกินข้าวอยูนะ่ยกมือสร้างจังหวะเป็นร0อย้อยครั้งนะมันก็เผลอครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ว่าก็ไม่ท้อไม่ท้อเพราะว่า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 ถ้าเราวางความอยากที่จะเห็นผลไวๆลงได้เนี่ยเราจะสามารถคอยได้นานสามารถจะทําได้นานสามารถทําได้ต่อเนื่องได้นานถ้าเราวางความอยากที่จะเห็นผลไวๆมันก็ไม่มีความจะก็จะไม่รู้สึกว่าต้องอดทนเลย การคอยจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องทนต่อไปมันทําได้เองทําได้สบายเยลวลาเราทํางานาใจเราเป็นนึกถึงเป้าหมายเราจะรู้สึกอยากจะให้มันเสร็จไวๆมันจะนึกอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จด้วความคิดแบบนี้แหละความรู้สึกแบบนี้แหล ะ, บบหละที่ทําให้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 แต่เมื่อเรามาถึงแล้วเราเริ่มยกมือสร้างจังหวะเริ่มเดินจงกรมก็วางความอยากนั้นลงเสียถ้าเรายังไปจดจ่ออยู่วความอยากก็แสดงว่าเรายังอยู่กับอนาคตไม่ใช่อยู่กับปัจจุบันอาการจรญสติเนี่ยมันทำให้เรารู้จักคอยและมีความเปลี่ยนได้ยอย่างต่อนเนื่อง และสิ่งนี้สำคัญมากนะทั้งอย่างที่บอกไว้แล้วว่าสำคัญทั้งทางโลกและทางธรรมในทางโลกเราจะประสบความสำเร็ได้ ก, ก็ต้องรู้จักคอยเป็นนิสัยนะก็เคยมีการทดลองหนึ่งที่สำคัญมากนะเมื่อสักสี่สิบปีที่แล้วทดลองกับเด็กอายุสี่ขวบบ้างสามขวบบ้าง ทำกับเด็กหลายร้อยคนแต่ว่าทำทีละสิบห้าคนบ้างยี่สิคนบ้างทดลองง่ายๆให้เด็กเข้ามาในห้องและในห้องนี้ก็มีโต๊ะบนโต๊ะก็มีขนมวางอยู่ผู้ใหญ่ก็จะบอกเด็กว่าเด็กสามารถจะเก็บกินสามารถจะหยิบขนมกินได้คนละชิ้นแต่ถ้ารอ15บนาทีจะได้กินสองชิ้น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 เด็กหล่านี้ไปจนโตนะจนกระทั่งเข้าเรียนหนังสือจนกระทั่งเรียนมัธยมก็เห็นความแตกต่างของเด็กสองกลุ่มเด็กที่รู้จักคอยได้เนี่ยก็เป็นเด็กที่เรียนใช้ได้หรือเรียนดีนะแล้วก็ไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่ในเด็กที่คอยไม่เป็นนี่การเรียนก็ไม่ดีนักแล้วก็ อ้วนน้ำหนักเยอะเพราะว่าเห็นอะไรก็อยากกินนะอดทนอดกลั้นไม่เป็นกินใหญ่กินพวกขนมนขยะนะจนกินจนอ้วนนะพอโตขึ้นมาคนกลุ่มนี้ก็สูบบุหรี่เยอะติดเหล้าก็มากในการที่กลุ่มที่มีความรู้จักราคอยนี่เขาการติดพวกใ บ, บาามุกก็น้อยกว่าผลสอบข้ามมาเฉลยก็สูงกว่าสูงเป็น200จุดเลยนะ กว่ากลุ่มแรกนี่อัตราเฉลีย่ยเขาตามไปถึงข้างเวลาจบเรียนเรียนจบมายทยาลัยไปทำงานาก็พบว่ากลุ่มที่มีความรู้จักคอยได้ตั้งแต่เล็กนี่ก็มีความสำเร็จในการงานได้ดีกว่ามากกว่ากลุ่มที่คอยไม่เป็นกลุ่มที่คอยไม่เป็นนี่จำนวนไม่น้อยก็เรียนไม่จบมายทยาลัยนะหรือ่างทีไม่เรียนไม่จบมัธยมได้ซ้าอันนี้เห็นเห็นหมว่าการ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 ชีวิตและตารางการปฏิบัติมันก็จะช่วยกล่อมกล้าให้เรารู้จักคอยได้นะยิ่งถ้าเราอยากจะปฏิบัติธรรมอย่างมีความสุขนะในการรู้จักคอยนี่สําคัญมากนะเพราะถ้าอยากเห็นผลไวๆนะจะทําได้ความทุกข์ทุกที่มันไม่สงบสักทีทุกเพราะความฟุ้งซ่านมันเยอะเหลือเกินนะ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 ทำไปเรื่อยๆหลวมพ่อเทียนั่นสอนผู้ฝึกมาอยู่เสมอนะว่าให้ทําเล่นๆนะแต่ทําจริงๆการทำเล่นๆก็คือว่าไม่ได้ทําด้วยอาการหน้าดําข้างเคร่งที่ทำท้ายนี่ทําด้วยอาการหน้าดํำข้างเคร่งก็เพราะว่ามันอยากจะให้ได้ผลอยากจะได้รับความสําเร็จไวๆพอเพลอ ก็จะไม่พอใจพอฟุ้งซ่านเผลอฟุ้งซ่านก็จะหดหงิดนะ น, นี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าอยากให้สงบอยากให้ไม่มีความฟุ้งซ่านนั้นะถ้าเราทำด้วยท่าดีแบบนี้นะเราก็จะนอกจาก จ, จะมีความทุกข์แล้วนะการปฏิบัติมันก็จะเนิ่นเช้าออไปเพราะอย่างที่บอกไว้แล้วว่ายิ่งอยากได้กลับไม่ได้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 หลายคนก็ทําไปก็นับถอยหลังไปเมื่อไหร่มันจะเสร็จการตกปมสักทีเมื่อไหร่จะถึงวันสุดท้ายสักทีเมื่อไหร่จะกลับบ้านสักทีคิดแบบนี้ก็จะทรมานเพราะว่ามันจะรู้สึกเวลาผ่านไปช้ามากถ้าหากว่าสองสามวันเราคอยไม่ได้นะหรือแม้กระทั่งห้านาทีคอยไม่ได้นี่ก็อย่างอื่นก็ก็ ความสำเร็จอย่างอื่นก็ยากที่จะหวังได้เอาละชาตินี้ก็พูดกันทนํานี้เอาครับระ